พระสั ป, ปกร์ว่าด้วยอำนาจประโยชน์10ประการพระตถาคตทรงบัญญัติสขาบทและพระสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความพาสุขแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก 4. เพื่อความอยู่พาสุขแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน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 สิ่งนั้นเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากสิ่งใดเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากสิ่งนั้นเพื่อความอยู่พาสุขแห่งเราพิกษุผู้มีศีลดีงามสิ่งใดเพื่อความอยู่พาสุขแห่งเราพิกษุผู้มีศีลดีงามสิ่งนั้นเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันสิ่งใดเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันสิ่งนั้นเพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต สิ่งใดเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตสิ่งนั้นเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสสิ่งใดเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสสิ่งนั้นเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วสิ่งใดเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วสิ่งนั้นเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศิธรสิ่งใดเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศิธรสิ่งนั้นเพื่ออื้อเฟือพระวินัย สิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสง์สิ่งนั้นเป็นความผาสุขแห่งสง์สิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสง์สิ่งนั้นเพื่อข่มบุกคลผู้เก้อยากสิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสง์สิ่งนั้นเพื่อความอยู่ผาสุขแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงามสิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสง์สิ่งนั้นเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน สิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตสิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสสิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วสิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระัทธร สิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อคมบุคคลผู้เก้อยากสิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงามสิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันสิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสง สิ่งนั้นเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตสิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสง์สิ่งนั้นเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสสิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสง์สิ่งนั้นเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วสิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสง์สิ่งนั้นเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัธรรมสิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสง์สิ่งนั้นเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัย สิ่งใดเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากและถึงสิ่งใดเพื่อความอยู่พาสุขแห่งเหาภิกษุผู้มีศีลดีงามสิ่งใดเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันสิ่งใดเพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตสิ่งใดเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสสิ่งใดเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วสิ่งใดเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศิรธรรม สิ่งใดเพื่อเอื้อเฟือพระวินัยสิ่งนั้นเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟือพระวินัยสิ่งนั้นเพื่อความผาสุขแห่งสงสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟือพระวินัยสิ่งนั้นเพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยากสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟือพระวินัยสิ่งนั้นเพื่อความอยู่ผาสุขแห่งหลาภิกษุผู้มีศีลดีงามสิ่งใดเพื่ออื้อเฟือพระวินัย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 อัดหนึ่งร้อยทำหนึ่งร้อยนิรุตติสอง้อยยานสี่ร้อยมีในอัถวัฏปกรอัถวัพปกรจบมหาวัคจบหัวข้อประจำเรื่องมัวรมเหล่านี้ของภิกษุ16ของภิกษุณี16หคือหมวดหนึ่งถึงหมวด8ปดในการถามและปัจจัยและหมวดหนึ่งถึงหมวด8ปดในคำถามและปัจจัยอีกไปยาน อันตราเพศและเอกุตริกะประวารณาอัถวัสปกรสงเคราะห์เข้ามห ah าวาัคค์อัถวัส ป, ปกรจบคาถาสังคณิกะว่าด้วยกลุ่มคาถา 1. สัตตะนครสุปัญญัตศิขาบทว่าด้วยศิขาบทที่ทรงบัญญัติในเจ็ดพระนครพระอุบาลีเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคตรถามว่าเธอห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือดูเหมือนมีความมุ่งหวังมาณสถานที่นี้เพื่อประโยชน์อะไรท่านพระอุบาลีกล่าบทูลว่าศิขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ในวินัยทั้งสอง มาสูอุเททุกวันอุโบสถนั้นมีเท่าไหรทรงบัญญัติณนะพระนครขีพระนครพระผู้มีพระภาคตรัสว่าปัญญาของเธอดีเธอสอบถามอย่างแยบคายเพราะฉะนั้นเราจะบอกเธอสมกับที่เธอฉลาดถามสิกขาบทที่บัญญัติไว้ในวินัยทั้งสองมาสู่อุเททุกวันอุโบสถนั้นมี350สิกขาบทเราบัญญัติณนะพระนครเจ็ดนคร พระอุบาลีกราบทูลว่าสิกขาบทที่ทรงบัญญัติณพระนครเจตนครพระนครไหนบ้างขอพระองค์ได้โปรดชี้แจงพระนครเจนนครนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังถอยพระดำรักของพระองค์แล้วจะปฏิบัติข้อนั้นจะพึงมีเพื่อความเกื้อกูลแก่ข้าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิกขาบทเหล่านั้น เราบัญญัติณกรุงเวสาลีณกรุงราชครึกณกรุงสาวัตถีณเมืองอาลวีณกรุงโกสัมพีณแควนสักกะณพัคชนบทสิกขาบทบัญญัติพระอุบาลีกราบทูลว่าสิกขาบทที่ทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีมีเท่าไรณกรุงราชครึกมีเท่าไรณกรุงสาวัตถีมีเท่าไรณเมืองอาลวีมีเท่าไร ณกรุงโกสัมพีมีเท่าไรณแขวนสักกะมีเท่าไรณนะภาคกฆชนบทมีเท่าไรพระองค์อันข้าพระพุทธเจ้าทูลถามแล้วขอได้โปรดตอบข้อนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิกขาบทที่บัญญัติณกรุงเวสาลีมีสิสิกขาบทณนะกรุงราชครึมี21สิสิกขาบทณนะกรุงสาวัตถี รวมทั้งหมดมี294สิกขาบทณนะเมืองอาราวีมีหสิกขาบทณนะกรุงโกสัมพีมี8ปสิกขาบทณแคว้นสั ก, กะมี8ปสิกขาบทณนะพัคชชนบทมีสมสิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้ณกรุงเวสาลีตามลำดับต่อไปสิก ข, ขาบทว่าด้วยการเสยเมถุนธรรมสิก ข, ขาบทว่าดรืยการพรากายมนุษย์ สึกขาบทว่าด้วยการกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีจริงศึกขาบทว่าด้วยการทรงอติเรจีวรสศึกขาบทว่าด้วยการทำสรรทัดโดยใช้ขนเจียมดำล้วนศึกขาบทว่าด้วยการบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงสึกขาบทว่าด้วยการฉันปรำประโภชนะสึกขาบทว่าด้วยการรับประเคินอาหารนอกจากน้ำและไม้ชมระฟัน สิกขาบทว่าด้วยการให้ของเคี้ยวของฉันแก่อาเจละกะในหมู่ภิกษุณีสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีด่าบริภาษภิกษุรวมสิกขาบทที่บัญญัติณกรุงเวสาลี10สิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติณกรุงราชครึตามลําดับต่อไปสิกขาบทว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในครงราชครึสิกขาบทว่าด้วยการใส่ความภิกษุสองสิกขาบท สิกขาบทว่าด้วยการทำลายสงและประพฤตตามสองสิกขาบทสิกขาบทว่าด้วยการรับอันตรวาสกจีวอนสิกขาบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนโรปิยะสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอได้สิกขาบทว่าด้วยการกล่าวให้เพ่งโทษสิกขาบทว่าด้วยฉันบิณฑบาที่ภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียมสิกขาบทว่าด้วยการฉันพัตหารในที่พักแรม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 สิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวดูมหรสศ บ, บนยอดเขาสิกขาบทว่าด้วยการไม่หลีกจาริไปสองสิกขาบทสิกขาบทว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาโดยให้ปริวาสิกะชันทะสิกขาบทเหล่านี้บัญญัติณกรุงราชคย์รวม21สิบเอกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติณกรุงสาวัตถีตามลําดับต่อไปปาราชิกสี่ สังคาทิเศษสิ 16, อเนยตาสองนิสักขี24ศสิกขาบทที่เรียกว่าคุตกะสิกขาบทมี156สิกขาบทว่าด้วยการกระทำที่หน้าตำหนิ10สิกขาบทเซขียะวัดจ็สิกขาบทรวมสิกขาบททั้งหมดที่เราบัญญัติหน้ากรุงสาวัตถี294ร้กาบสสิกขาบท เธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติณนะเมืองอาลวีตามลำดับต่อไปสิกขาบทว่าด้วยการก่อสร้างกุดีสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดผสมใหญ่ไหมสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกับอนุปสมบันสิกขาบทว่าด้วยการขุดดินสิกขาบทว่าด้วยการพร้าภูตคามสิกขาบทว่าด้วยการเอาน้ำมีสิ่งมีชีวิตรสหญ้าหรือดิน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 สิกขาบทว่าด้วยไม่เอื้อเฟื้อต่อคำตักเตือนสิกขาบทว่าด้วยกล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมสิกขาบทว่าด้วยการฉันน้ำนมเสียงดังสูดซูด่รวมแปสิกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบรรยัติณกรุงกบิลพัทแควนสักกะแปสิกขาบทตามลำดับต่อไปสิกขาบทว่าด้วยการให้สักขนเจียมสิกขาบทว่าด้วยบาทมีรอยซ่อมห้าแห่ง สิกขาบทว่าด้วยเข้าไปสั่งสอนภิกษุณีถึงที่อยู่สิกขาบทว่าด้วยขอเพสัตสิกขาบทว่าด้วยการทํากล่องเข็มสิกขาบทว่าด้วยการอยู่ในเสนาสนะป่าสิกขาบทว่าด้วยการใช้น้ําชําระสิกขาบทว่าด้วยการไม่ไปรับโอวาทเรากล่าวไว้ในหมู่ภิกษุณีเธอจงฟังสิกขาบทที่เราบัญญัติณภคชนบทตามลําดับต่อไป สิกขาบทว่าด้วยก่อไฟพิงสิกขาบทว่าด้วยการจับภาชนะน้ำดื่มด้วยมือเปื้อนอามิรสิกขาบทว่าด้วยการเทน้ำล้างบาทมีเมล็เข้าสุกในละแวกบ้านสิกขาบททั้งหลายคือปราชิกสสังฆาทิเศษเนิสักคี8คุตตะ32สิบกขาบทที่น่าตาหนิปาติเทสนียะสองเซขียวัสาม อันพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักดิ์บัญญัติณหกพระนครรวมห6สิหกิกขาบทพระโคดมผู้มีพระยศทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีรวมทั้งหมด294รสิกขาบท ตะตุวิบัติว่าด้วยวิปัสสี 4. ทรงพยากรณ์อาบัตหนักและอาบัตเบาเป็นต้นพระอุบาลีกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทูลถามปัญหาข้อใดกับพระองค์พระองค์ได้ตรัสแก้ปัญหาข้อนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายทูล ถ, ถามเรื่องใดๆพระองค์ก็ได้ทรงแก้เฉพาะเรื่องนั้นๆโดยไม่ได้ทรงแก้โดยประการอื่น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 ขอพระองค์ได้โปรดชี้แจงเรื่องนั้นแม้ทั้งหมดเถิดข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะฟังพระดํารัสของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาบัติหนักมี31อในอาบัติหนักเหล่านั้นอาบัติไม่มีส่วนเหลือมี8อาบัติหนักจัดเป็นอาบัติชั่วยาบอาบัติชั่วยาบจัดเป็นศีลวิบัติศีลวิบัติและอาจารวิบัติปราชิกสังฆาทิเศษ เรียกว่าศีลวิบัติุทุลใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุ ก, ทกภาสิทธอด่าด้วยประสงค์จะล้อเล่นอาบัตินี้นั้นรวมเรียกว่าอาจาระวิบัติทิฏฐิวิบัติบุคคลมีปัญญาเขลาทั้งหลายถูกโมหะครอบงำถูกอสัตธรรมรุมล้อมยึดถือความเห็นวิปริสกล่าวตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ภิกษุรูปนั้นเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะภิกษุออกปากขอโภชนะอันปราณีตมาเพื่อตนแล้วฉันเพราะเหตุแห่งอาชีวะเพราะการแห่งอาชีวะภิกษุณีออกปากขอโภชนะอันปราณีตมาเพื่อตนแล้วฉันเพราะเหตุแห่งอาชีวะภิกษุไม่อาพาธออกปากขอแกงหรือเข้าสุกมาเพื่อตนแล้วฉันเพราะเหตุแห่งอาชีวะ เพราะการแห่งอาชีวะนี้นั้นรวมเรียกว่าอาชีววิบัติยาวะตะติยกะสิกขาบทยาวะตะติยกะสอสิกขาบทนั้นเธอจงฟังตามลําดับต่อไปอุคิตานุวัติกะสิกขาบทยาวะตะติยกะสังขาธิเศษแปสิกขาบทอริษะสิกขาบทจันทกาลีสิกขาบทสิกขาบทเหล่านี้นั้นชื่อว่า ยาวะตติยกะสิกขาบท 3. เชเทนกาธิว่าด้วยเชเทนกะสิกขาบทเป็นต้นทรงพยากรณ์เชเทนกะสิกขาบทและเพธทนกะสิกขาบทเป็นต้นพระอุบาลีกราบทูลว่าสิกขาบทว่าด้วยการตัดมีเท่าไรสิกขาบทว่าด้วยการทำลายมีเท่าไรสิกขาบทว่าด้วยการรื้อมีเท่าไร สึกษาบทในปาจิตติว่าด้วยไม่มีอะไรอื่นมีเท่าไรสึกษาบทว่าด้วยการสมมุติภิกษุมีเท่าไรศึกขาบทว่าด้วยการทําที่สมควรมีเท่าไรสึกษาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมีเท่าไรสึกษาบทที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันุแห่งพระราชาผู้สูงศัก์ทรงบัญญัติว่ารู้อยู่มีเท่าไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าศึกขาบทว่าด้วยการตัดมีหก สิกขาบทว่าด้วยการทำลายมีหนึ่งสิกขาบทว่าด้วยการรื้อมีหนึ่งสิกขาบทในปาจิตติว่าด้วยไม่มีอะไรอื่นมีสสิกขาบทว่าด้วยการสมมุติภิกษุมีสสิกขาบทว่าด้วยการกระทำที่สมควรมีเจสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งมีสิสิกขาบทาที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระราชาผู้สูงศักด์ทรงบัญญัติว่ารู้อยู่ มี16บหกสิกขาบท 4. อาสาธารณาทิว่าด้วยอาสาธารณะสิกขาบทเป็นต้นจํานวนสิกขาบทของภิกษุเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสิกขาบทของภิกษุมาสู่อุเททุกวันอุโบสถยกขึ้นสวดทุกวันอุโบสถรวม220สิกขาบทของภิกษุณีมาสู่อุเททุกวันอุโบสถรวม340สีสิกขาบท สิกขาบทของภิกษุที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุณีมี46สิกขาบทสิกขาบทของภิกษุณีที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุมี130สิกขาบทสิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ไม่ทั่วไปมี176สิกขาบทสิกขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกันมี174สิสิกขาบทประเภทสิกขาบทของภิกษุ สิกขาบทของภิกษุ220สิกขาบทมาสู่อุเทธทุกวันอุโบสถเธอจงฟังสิกขาบทเหล่านั้นตามลำดับต่อไปปาราชิก4สังฆาทิเศส13อเนยตะสองนิสัคคี30คขุธักะ92าปาติเทสนิยะ4เสขียะ5สิ้ากขาบทของภิกษุ220สิกขาบทเหล่านี้มาสู่อุเทธทุกวันอุโบสถ ประเพศสิกขาบทของภิกษุณีสิกขาบทของภิกษุณี340รสิกขาบทมาสู่อุเททุกวันอุโบสถเธอจงฟังสิกขาบทเหล่านั้นตามลําดับต่อไปปาราชิก8สังฆาทิเศสสินิสักคี30มคุทกะ1 6 6่ปาติเทสนิยะ8เสขียะเจสิบ้ากขาบทของภิกษุณี340สสิกขาบทเหล่านี้ มาสู่เททุกวันอุโบสถอาสาธรรณะสิกขาบทของภิกษุสิกขาบทของภิกษุที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุณีมี46ศสิกคขาบทเธอจงฟังสิกขาบทเหล่านั้นตามลำดับต่อไปสังฆาทิเศษหรวมกับอนิยตต2สองิกขาบทเป็น8นิสักคี12รวมกันเป็น20ขสุทธะ22ปาฏิเทศนียสี่ สิกขาบทของภิกษุที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุณีนั้นรวม46่สิกสิขาบทอาสาธารณาสิกขาบทของภิกษุณีสิกขาบทของภิกษุณีที่ไม่ทั่วไปกับภิกษุมีหนึสิบสกขาบทเธอจงฟังสิกขาบทเหล่านั้นตามลําดับต่อไปปาราชิกสสังคาทิเศตที่ทําให้ถูกขับออกจากหมู่10นิสัก ค, คี12บคุทกะ96ปาติเทชนิยะ8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 เสกียะเจ็ดสิบห้ากขาบทของทั้งสองฝ่ายที่ศึกษาร่วมกันนี้รวมหนึ่งยเจ็สิี่สิกขาบทอาบัติที่ระ ง, งับไม่ได้บุคคลผู้เป็นประชิกแปดจำพวกเข้าใกล้ได้ยากเปรียบเหมือนต้นตาลเหลือแต่พื้นที่บุคคลผู้เป็นประชิกเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ไม่งอกงามเปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองแผ่นศิลานาคนถูกตัดศรีรษะ ต้นตาญยอดด้วนฉะนั้นอาบัติที่ระ ง, งับได้สังฆาทิเศษ23สอนิยตะสองนิสัคคี42ปาจิตตีหยปปาติเทสนิยะ12เสขียะ75ระ ง, งับด้วยสมถะสคือ 1. สามุขาวินัย 2. ปฏิญญาตะกรณะ 3. ตินนวทธารกะส่วนที่ทรงจำแนก อุโบสถสองปรวรณาสองกรรมสอันพระชินเจ้าทรงแสดงแล้วอุเทศหและอุเทศสี่ย่อมไม่มีโดยประการอื่นและกองอาบัตมีเจอธิกรอธิกร4สี่ระงับด้วยสมถะเจ็คือระ ง, งับด้วยสมถะสองสมถะสี่สมถะสามแต่กิจจาธิกรระ ง, งับด้วยสมถะหนึ่งห ปราชิกาทิอาปติว่าด้วยอาบัติราชิกเป็นต้นวิเคราะห์ปราชิกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าปาราชิกตามลําดับบุคคลเป็นผู้เคลื่อนผิดพลาดและเหินห่างจากสัตยธรรมทั้งหลายอันหนึ่งแม้สังวาสก็ไม่มีในบุคคลนั้นเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกอาบัตนั้นว่าอาบัตปราชิกวิเคราะห์สังขารทิเศษ เธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าสังคาริเศษตามลำดับสงเท่านั้นให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดอภานเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกอาบัตนั้นว่าอาบัตสังคาริเศษวิเคราะห์ อ, อนิยตะเธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าอนิยตะตามลำดับกองอาบัตชื่อว่าอนิยตะเพราะไม่แน่ข้อที่เราบัญญัติไว้แล้วโดยไม่ใช่ส่วนเดียว ในฐานะทั้งสามฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอนิยตาวิเคราะห์ทุนละใจเธอจงฟังอาบัติที่เราเรียกว่าทุนละใจตามลำดับภิกษุใดแสดงในภิกษุรูปเดียวและภิกษุรูปใดรับโทษนั้นโทษเสมอด้วยโทษนั้นไม่มีเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกโทษนั้นว่าทุนละใจวิเคราะห์นิสัก ข, ขี เธอจงฟังอาบัต ท, ที่เราเรียกว่านิสักีตามลำดับภิกษุยอมสละและแสดงข้อละเมิดใดพร้อมกันในถ้ำกลางสงฆ์ถ้ำกลางคณะและในสำนักภิกษุหนึ่งเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกข้อละเมิดนั้นว่านิสักีวิเคราะห์ปาจิตตีเธอจงฟังอาบัต ท, ที่เราเรียกว่าปาจิตตีตามลำดับความละเมิดยังกุศลธรรมให้ตกไปทำอาริยมรคให้เสียไป เป็นเหตุทําให้จิตลุ่มหลงเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกความละเมิดนั้นว่าปาจิตตีวิเคราะห์ปาติเทศนิยะเธอจงฟังอาบัติที่เราเรียกว่าปาติเทศนิยะตามลําดับภิกษุไม่มีญาติหาโภชนะมาได้ยากรับมาเองแล้วฉันเรียกว่าต้องทําที่หน้าติเตียนพิสูจฉันอยู่ในที่นิมนต์พิสูจนีบงการอยู่ในสถานที่นิมนต์นั้นตามความพอใจ พิสษุไม่ห้ามแต่กลับฉันอยู่ในที่นั้นเรียกว่าต้องทำที่หน้าติเตียนภิสษุไม่อาพาดไปสู่ตระกูลที่มีจิตศรัทธาแต่มีโพทรัพย์น้อยผู้ไม่ร่ำรวยแล้วฉันในที่นั้นเรียกว่าต้องทำที่หน้าติเตียนพิสษุอยู่ในป่าที่น่าหวาดระแวงมีภัยน่ากลัวฉันอาหารที่เขาไม่ได้รับแจ้งไว้ก่อนในที่นั้นเรียกว่าต้องทำที่นาติเตียน พิสุนีไม่มีญาติขอโภชนะที่ผู้อื่นยึดถือว่าเป็นของเราคือเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดและนมเปรี้วด้วยตนเองชื่อว่าต้องทำที่หน้าติเตียนในาศาสนาของพระสุคตวิเคราะห์ทุกกฎเธอจงฟังอาบัต ท, ที่เราเรียกว่าทุกกฎตามลำดับกรรมที่ผิดพลังพลาดจะเป็นกรรมที่ทำไม่ดี คนทำความชั่วอันใดไว้ในที่แจ้งหรือในที่ลับบัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมประกาศความชั่วนั้นว่าทำชั่วเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกอาบัตินั้นว่าทุกกฎวิเคราะห์ทุพภาสิทธิ์เธอจงฟังอาบัติที่เราเรียกว่าทุพภาสิทธิ์ตามลำดับบทใดอันภิกษุกล่าวไม่ดีพูดไม่ดีและเสื่อมเสียทั้งวินโยชนทั้งหลายย่อมติเตียนบทใด เพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกข้อนั้นว่าทุกภาสิทธิวิเคราะห์เสกียะเธอจงฟังอาบัตที่เราเรียกว่าเสกียะตามลําดับข้อนั้นเป็นเบื้องต้นเป็นข้อประพฤติเป็นทางและเป็นข้อสังวรระวังของพระเสขะผู้กําลังศึกษาผู้ดําเนินไปสู่เส้นทางตรงเสกขาทั้งหลายเช่นนี้ไม่มีเพราะเหตุนั้นเราจึงเรียกข้อนั้นว่าเสกียะอุปมาอาบัตและอนาบัต ยิ่งปิดยิ่งรั่วเปิดแล้วไม่รั่วเพราะฉะนั้นพึงเปิดสิ่งที่ปิดเมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เปิดนั้นก็จะไม่รั่วป่าใหญ่เป็นที่พึ่งของหมู่มรึกอากาศเป็นทางไปของหมู่ปักสีความเสื่อมเป็นคติของธรรมทั้งหลายพระนิพพานเป็นภูมิที่ไปของพระอรหรันต์คาถาสังคณิกะจบหัวข้อประจำวาระ สิขาบทที่ทรงบัญญัติณเจ็ดพระนครวิบัติสี่อย่างสิขาบทของภิกษุและภิกษุณีที่ทั่วไปที่ไม่ทั่วไปนี้เป็นถ้อยคำที่ประมวลไว้ด้วยคาถาเพื่ออนุเคราะห์พระาศาสนาคาถาสังคณิ ก, กะจบ ที่กรณ์เพศว่าด้วยประเภทแห่งอธิกร 1. อุโกตนะเพทาธิว่าด้วยประเภทการรือรร้อฟื้นเป็นต้นอธิกรมีสี่อย่างคือหนึ่งวิวาธาธิกร 2. อ, อนุวาธาธิกร 3. อาปตตาธิกร 4. ์กิจจาธิกรอธิกรมีสอย่างเหล่านี้ถาม การรื้อฟื้นอธิกรณ์สี่อย่างนี้มีเท่าไรตอบการรื้อฟื้นอธิกรณ์สี่อย่างนี้มี10บอย่างคือรื้อฟื้นวิวาธาธิกรณ์มีสองรื้อฟื้นอนุวาธาธิกรณ์มีสรื้อฟื้นอปัตาธิกรณ์มีสามรื้อฟื้นกิจจาธิกรณ์มีหนึ่งการรื้อฟื้นอธิกรณ์สี่อย่างนี้มี10บอย่างเหล่านี้ถามเมื่อรื้อฟื้นวิวาธาธิกรณ์ ย่อมรื้อฟื้นสมถะเท่าไรเมื่อรื้อฟื้นอนุวาถาธิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะเท่าไรเมื่อรื้อฟื้นอาปัตตาธิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะเท่าไรเมื่อรื้อฟื้นกิจจาธิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะเท่าไรตอบเมื่อรื้อฟื้นวิวาทิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะสองอย่างเมื่อรื้อฟื้นอนุวาาธิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะสี่อย่าง เมื่อรื้อฟื้นอาปัตาธิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะสามอย่างเมื่อรื้อฟื้นจิตชาธิกรย่อมรื้อฟื้นสมถะอย่างเดียวว่าด้วยการรื้อฟื้นอธิกรเป็นต้นถามการรื้อฟื้นมีเท่าไรด้วยอาการเท่าไรจึงนับว่ารื้อฟื้นบุคคลประกอบด้วยองค์เท่าไรจึงรื้อฟื้นอธิกรได้บุคคลขี่จำพวกเมื่อรื้อฟื้นอธิกรย่อมต้องอาบัต ตอบการรื้อฟื้นมีส2องอย่างด้วยอาการ10จึงนับว่ารื้อฟื้นบุคคลประกอบด้วยองค์สี่จึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้บุคคลสี่จำพวกเมื่อรื้อฟื้นอธิกรณ์ย่อมต้องอาบัตการรื้อฟื้นมีส2องอย่างคือหรื้อฟื้นกรรมที่สงยังไม่ได้ทำสรื้อฟื้นกรรมที่สงทำไม่ดี 3. รื้อฟื้นกรรมที่สงควรทำใหม่ 4. หรือฟื้นกรรมที่สงยังทําไม่เสร็จ 5. หรือฟื้นกรรมที่สงทําเสร็จแล้วไม่ดี6 ห, ห, หรือฟื้นกรรมที่สงควรทําอีก7หรือฟื้นกรรมที่สงยังไม่ได้วินิจฉัย 8. หรือฟื้นกรรมที่สงวินิจฉัยไม่ถูกต้อง9หรือฟื้นกรรมที่สงควรวินิจฉัยใหม่10หรือฟื้นกรรมที่ยังไม่ระงับ11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 หรือฟื้นอธิกรณ์ที่ระงับแล้วในระหว่างทางห้าหรือฟื้นอธิกรณ์อันไปแล้วในที่นั้นหหรือฟื้นอธิกรณ์อันไปแล้วแต่ระงับแล้วเจ็หรือฟื้นสติวินัย 8. หรือฟื้นอมูลหวินัยเ้หรือฟื้นตัสปาปิยสิกา 10. หรือฟื้นตินาวัธารกะด้วยอาการสิบอย่างนี้จึงนับว่าหรือฟื้น บุคคลประกอบด้วยองค์สี่จ um, ึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้คือ 1. นึ่ลำเอียงเพราะชอบจึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้ 2. องลำเอียงเพราะชังจึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้สามลำเอียงเพราะหลงจึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้ 4. ี่ลำเอียงเพราะกลัวจึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้บุคคลประกอบด้วยองค์สี่นี้จึงรื้อฟื้นอธิกรณ์ได้บุคคลสี่จำพวกเมื่อรื้อฟื้นอธิกรณ์ ยอ่อมต้องอาบัติคือ 1. นพิกษุผู้อุปสมบทในวันนั้นแล้วรื้อฟื้นอธิกรต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้น 2. ภิกษุเป็นอคันตุกะรื้อฟื้นอธิกรต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้น 3. าพิกษุผู้กระทำรื้อฟื้นอธิกรต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้น 4. ีพิกษุผู้ให้ฉันทะรื้อฟื้นอธิกรต้องอาบัตปาจิตตีที่รื้อฟื้น บุคคลสี่จำพวกนี้เมื่อรื้อฟื้ออธิกรณ์ย่อมต้องอาบัต 2. ออธิกรณะนิทานาธิว่าด้วยนิทานแห่งอธิกรณ์เป็นต้นถามวิวาธาธิกรณ์มีอะไรเป็นนิทาน มีอะไรเป็นสมุททยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทานอนุวาธาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทานอปัตาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุททยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อน มีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุฐานกิจจาธิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุไทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุฐานตอบวิวาธาธิกรมีวิวาทเป็นนิทานมีวิวาเป็นสมุไทยมีวิวาทเป็นชาติมีวิวาเป็นแดนเกิดก่อนมีวิวาเป็นองมีวิวาเป็นสมุธาน อนุวาธาธิกรมีอนุวาเป็นนิทานมีอนุวาเป็นสมุทัยมีอนุวาเป็นชาติมีอนุวาเป็นแดนเกิดก่อนมีอนุวาเป็นองค์มีอนุวาเป็นสมุทัยอปัตตาธิกรมีอาบัตเป็นนิทานมีอาบัตเป็นสมุทัยมีอาบัตเป็นชาติมีอาบัตเป็นแดนเกิดก่อนมีอาบัตเป็นองค์มีอาบัตเป็นสมุทัยกิจชาธิกรมีกิจเป็นนิทาน มีกิจเป็นสมุทัยมีกิจเป็นชาติมีกิจเป็นแดนเกิดก่อนมีกิจเป็นองค์มีกิจเป็นสมุทัยถามวิวาทาธิกอนมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทานอนุวาทาทิกรอนอปาตาทิกอนกิจาทิกอนและถึงตอบ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 มีอะไรเป็นสมุฐานอนุวาธาทิกรอาปตาทิกรกิจชาทิกรและถึงตอบวิวาธาทิกรมีปัจจัยเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นสมุฐานมีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อนมีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุฐานอนุวาธาทิกรอาปตาทิกรกิจจาทิกรเป็นต้น